สาอะไรไอ้เหมืนสติต่อนเนื่องนะ <M: S 1> เอาใครไม่ฝึกหัดยังไงมันสติต่อนเนื่อง <M: S 1> อ๋ อ, องสงสัยอะไรบ้างไอ้มันติดสติต่อเนื่องวันนี้ดีมากนะวันนี้ยมีคนถามมาเนี่ยที่ถามมาก็ถามว่าไงนะถามว่าอะไรเนี่ยเอออ่านได้ไหมมันได้ไหมมาอมานไม่มีอันเนี่ยเออวันนี้ที่เราตอบเนี่ยใครใครงใสงสัยเออเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อไอ้ให้อ่านตรงนี้แล้วใครสงสัย เราจะถามที่ซักก็ได้เราจะได้อธิบายให้เ อ, เอออ่านอ่านนนถามอ่านอ่านถ้าคำถามค า, ม า, มามตอบขอเรียนถามค่ะปุจฉาปุจฉาปุจฉ ข, ข, ขอเรียนถามค่ะทำอย่างไรให้สติมีกำลังคะดิสัจนานะสติจะมีกำลังได้จะต้องฝึกอย่างหนักเหมือนกับนักกีฬาจะชิงแชมป์โลกโดยฝึกให้มีสติ คือความรู้สึกตัวตลอดเวลาถ้าขาดสติหลงเหม่อเผลอเพลินติดไปกับอะไรหรือหลงหมกมุ่นคุ้นคิดหลงพยายามทำอะไรให้เป็นอะไรหลงไปสะกดจิตให้นิ่งเฉยก็ต้องมีสติรู้สึกตัวขึ้นมาทุกครั้งรู้สึกตัวได้แป๊บเดียวจะหลงใหม่อีก ก็มีสติรู้สึกตัวขึ้นมาอีกจนสามารถจดจำหน้าตาลักษณะอาการหลงได้และจำหน้าตาลักษณะอาการรู้สึกตัวได้ฝึกอย่างหนักอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายก็จะขาดสติหลงเหม่อเผลอเพลินหลงหมกมุ่นคุ้นคลิตหลงพยายามทำอะไรให้เป็นอะไรหรือหลงสะกดจิตให้นิ่งเฉยน้อยลงไปเรื่อยๆ ในทางขับกันก็จะมีสติรู้สึกตัวมากขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นหลงมีแต่สติรู้สึกตัวหรือรู้ตัวตลอดเวลาจนเป็นปกตินิสัยแล้วความรู้สึกตัวที่ต้องเพียรระวังรักษาไว้ก็จะหายไปเหลือแต่รู้ที่รู้ว่าสิ้นหลงแล้วเป็นผู้รู้รู้ว่าสิ้นหลงแล้ว เป็นผู้ตื่นตื่นจากความหลงคืออวิชชาเป็นผู้เบิกบานไม่หลงติดไปกับอะไรให้เป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองอีกต่อไปเรียกว่าเป็นพุทธโธหรือพุทธะอา่าเข้าใจไหมใครไม่เข้าใจยกมือก็จะหมาไปให้อา่าตรงหมาให้สีก็อ่านัปได้เข้าใจไหม หรือใครไม่รู้เรื่องเลยคือกาบขอการหลวงตาได้ไหมครับตัวนี้มันเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมเลยครับมันมันจะเป็นตัวคัดแยกเลยว่าคนโลกโลกกับผู้ปฏิบัติอย่างแท้จริงเนี่ยคือมันเป็นยังไงกับที่มันหลงเมื่อเผอเพลินไปเลยกับมีสติรู้ตัวรู้สึกตัวขึ้นมาครับ แต่มันแค่เป็นจุดเริ่มต้นแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่มากจะกราบขอาการหลวงตาขอความเมตตาหลวงตาช่วยช่วยช่วยดูผู้ปฏิบัติธรรมในที่นี้ทั้งหมดนะครับช่วยกราบขอาการหลวงตาดูให้หน่อยครับว่ายัางยังมีใครบ้างที่ที่ยังยังตกซ้ายตกขวาเงี้ยครับหรือว่ายัางรู้สึกตัวไม่เป็นเลยเงี้ยครับ คือถ้ามันตรงนี้มันเริ่มต้นไม่ได้เดี่ยต่อไปมันมันไม่ได้จริงๆองนี้ครับแต่ถ้าหลวงตาบอกปั๊บเนี่ยชี้กันตรงๆเนี่ยก็จะแก้กันตรงนี้ได้เลยอ่ะครับเผื่อเผื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้เดชะธรรมที่อยู่ตรงนี้ด้วยอครับจะได้ไม่บางทีมันอาจจะมีสภาวะที่มันคิดว่าเขารู้แล้วเหมือนหลงรู้เย่างนี้ครับรู้รู้ว่ารู้แล้วแต่จริงไม่รู้เรื่องเลย บ, บางทีก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองคิดตลอดเวลาเหมือนคุณป้าอะไรนะคุณสมจิตคุณป้าสมจิตครับครับครับขอากาะดได้ไหมครับหลวงตาพอดีเป็นคำถามที่ผมถามขึ้นมาเพราะว่าทีมคุณป้าในครัวเนี่ยก็ อ, อยากจะรู้ว่า ส, ต, งงสติมันยังไงสติมันยังไงแต่บางทีคุณป้าก็ไม่ค่อยกล้าจะถามเพราะกลัวหลงตา อ, donc, เ อ, เอ้เอาไมค์ให้เขาสิง so ั ئ ئ product, น้นอ้าวมันก็ไม่รู้มันมองไม่เห็นเนี่ยออย่างก็เาไมค์เขามันมืดมันมองไม่เห็นอ่ะมันรู้รู้ป่าแล้วมันรู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นนั่นแะอาลองอาลองบอกที่เราแต่ละคนเอาว่าไงเอาเอาแต่ละคนเลยเอางั้นนะบุญเหลืออาวู่อ้อหือทอะไรหลู่อ้อแล้วแล้วแบบแล้วรู้รู้อะไรค่ะไรแล้วแล้วรู้อะไอ แล้วเราอหลออะไรอ่ะอะไรรู้อะณณขณะนี้รู้สึกตัวอยู่ณขณะนี้ณขณะนี้รู้สึกตัวณณขณะนี้รู้สึกตัวทีนี้เวลาไม่รู้สึกตัวมันไปยังไงถึงไม่รู้สึกตัวเวลาไม่รู้สึกตัวบุเหลือไปนณณขณะนี้รู้สึกตัวแต่ถ้าเราเนี่ย ไปหมกเมื่อไร่ที่เราเนี่ยเข้าไปหมกมุ่นคุ้คิดอยู่ภายในเพื่อพยายามจะให้มันทําความรู้สึกตัวอยู่ข้างไหนอันนี้เท่ากับไม่รู้สึกตัวอเข้าใจเล้วพูดอย่างนี้เข้าใจแล้วไม่ใช่ง่ายๆอยากเราเข้าใจเออเห็นยิ้มอย่างนี้เข้าใจจริงๆเรเข้าใจจริงๆว่าไงอะเราเท่าเอือหันไหลใช่ไหมครับเออเออเออเอเออเข้าตาเข้าตาเข้าตาอ๋เข้าตาเข้าตาอย่างนั้นะก็เรียกว่าไม่รู้สึกตัว คือไปพยายามทำความรู้สึกตัวหมกมุ <fala> okay. you? You. <laughs> ่นกับการทำความรู้สึกตัวข้างในเท่ากับไม่รู้สึกตัวหนูไปแแบบบุญเหลือค่ะเห็นละวค่ะหลางืมเก๋ตอนนี้ก็พยายามหมกมุ่นกับการทําความรู้สึกตัวข้างในอันนี้ไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวหมกมุ่นพยายามหมกมุ่นทำความรู้สึกตัวอยู่ข้างในไม่รู้สึกท่านี้เท่ากับไม่รู้สึกตัวใช่ไหม หมกมุ่นพยายามทำความรู้สึกตัวให้มันรู้สึกตัวคือเราพยายามเนี่ยให้มันรู้สึกตัวแต่มันเท่ากับไม่รู้สึกตัวคือเราหมกมุ่นกับการทำความรู้สึกตัวมันเท่ากับไม่รู้สึกตัว Lab เรารู้สึกตัวอยู่มันจะเข้าไปหมกมุ่นไม่เกี่ยวกับเราเราให้รู้สึกตัวไว้แม้มันจะไปทำกิาการหมกมุ่นภายในแต่เรารู้สึกตัวไว <antis> ้ไม่หลงไปหมกมุ่นกับมันเท่ากับรู้สึกตัว อันนี้เข้าใจไหมนะเข้าใจค่ะอ๋อไห น, นเข้าใจไงทวนๆ น, <ะ S 1> นี่อ่าก็ทำต่อาแต่วดูในจิตกระเดาวะถ้ามันเป็นหมกมุ่นก็รู้มันเป็นตัวปรุงแต่งค่ะไม่ใช่เออเออใช่ใช่ถ้าเร า, าเราไอการหมกมุ่นเนี่ยคือการปรุงแต่งพอเห็นนั่นเป็นปรุงแต่งซะเราก็จะหลงไปกับมันก็เท่ากับเราเนี่ยไม่ไปหมกมุ่นค่ะแต่จะไม่จะถ้าเราพยายามไปไล่ดับความหมกมุ่นมันก็ติดเลยแต่เนี่ยเรากลายเป็นหมกมุ่นซ้อนหมกมุ่นซ้อนหมกมุ่นค่ะเข้าใจค่ะ เออเข้าใจจริงเอเ็มเข้าใจราว่ายากกันมันเข้าใจง่ายเว้ยแต่เราอ๋อา๋ออ๋สิอ่าวมัสการหลวงตานี่ค่ะโยมโยมคิดว่าฮโยมเป็นแบบหลวงตาว่าเมื่อกี้มัวจะไปเพ่งเพ่งดูคนอื่นแล้วก็มาทุกข์ใจตัวเองเนี่ยค่ะ แต่มันก็ก็หายไวใชวคะ่ะเดอดีแล้วโอเคสาธุพอพอว่าง <laughs> จะเร่งเอาพุโทโธอืม <laughs> ก็ใครเป็นยังไงใจเรานิพันธ์เป็นพอนะท่องไว้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่มีน้ําใจ <c oughs> มีน้ําใจแต่ใครเป็นยังไงใจเรานิพานเป็นพอท่องไว้มีน้ําใจแต่ใครเป็นอย่างไรใจเรานิพานเป็นพอ อ, <c oughs> นนอย่าไาาปยุป่งวุ่นวายกับเขาค่ะ <c oughs> แล้วก็เมตตาช่วยเหลือเกือ้อกูลเขาแต่ต้องใจอุเบกขานะอะลงท้ายก็คือเออช่างเถอะเมตตาเมตตาเจ้าค่ะเออเ อ, อ, อย่างนั้นแหละตอนมันโดนใบมันก็ไม่เอาลูกเดียวไม่เอาลูกเดียวเดี๋ยวก็เผลอไปกับเขาอีกแล้วไม่เอารูปเดียวเดี๋ยวก็เผลอไปเขาอีกแล้ว <c oughs> ไม่เอาลูกเดียวกับแต่ไม่ใช่ว่าเราหนีปฏิเสธเมตตาอยู่เมตตาเขาพราะเขาเป็นอาวิชาเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นอาวิชาอืเข า, าเป็นอาวิชาอยู่โยมก็พ อ, พอพอรู้ความคิดบ้างค่าหลวงตาตอนนั้นพอตอนที่พระอาจารย์อ้อไปสอนนะเจ้าค่ะทีนี้สอนยังไงก็คงคิดว่าไม่รู้เรื่องจ้าค่ะ ทีนี่มาอยู่ว่าวันนึงท่านก็ออกมาพอสวดมนต์เสร็จแล้วทีนี้ท่านก็ไม่สอนสดไม่เปิดเทปให้ฟังทีนี้โยมก็ดั่งคิ ด, ดอยู่ว่าอ้าวทาไมวันนี้พระอาจารย์เป็นอย่างนี้ทําไมนั่งเฉยทีนี้อยู่ๆโยมก็รู้ความคิดขึ้นมาบอกว่าอ้าวเราก็มวัวแต่คิดอยู่ทําไมคิดบอกรู้แล้วว่าอาจารย์ความคิดเป็นอย่างเนี้เจ้<ม>ค่ะโยมคิดอยู่เนี่ยตลอดว่า ท, ไไทําไมพระอาจารย์ไม่สอนทําไมวันนี้เป็นอย่างนี้เจ้าค่ะ บ, บอกว่าเอาแบบนี้โยมก็ รู้แล้วสิเทีนี้แบบว่าคิดดีคิดชั่วถ้าไปคิดกับใครแบบว่าเออถ้าคิดไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็รู้ตัวแล้วแล้วว่างเงี้เออดีแล้วล่ะอย่าง น, นั้นีหยคราวนี้ก็อ น, นัตก็คือก็เป็นอันการปฏิบัติต่อเนื่องจ้ะค่ะคราวนี้พอถ้าเราไปรวมกลุ่มกับใครเราพูดแล้วก็ ก, ก็ก็รู้ทันว่าอันเนี้ยถ้าพูดไปแล้วเขาจะเสียใจโยมก็ไม่พูดจ้ะค่ะอืมอืมอนเนี้ แต่บางอย่างก็ค่อยๆตามเข้าไปเพื่อไม่ให้เขาเสียน้ังใจเจ้าค่ะเออค่ะรู้ตัวอยู่อย่างนี้นะเจ้าค่ะดีแล้วเขาก็ดีอยู่เขา้เข า, เข า, เขาใจเข้าใจเยอะดีเลยเข้าใจเยอะบุญสมจะดีห่องใสามากใหลังนี้บุญสมห่องใสามากเรา เอาเราไว้ทะลุไปเลยนะอย่าไปอย่าไปยุ่งวุ่นวายใครเนี่ยบุญสมเนี่ยเอาว้ทะลุไปเลยอย่าไปยุ่งวุ่นวายใครเด็ดขาดเลยเออเราห้ามเอาใจไปยุ่งวุ่นวายใครเด็ดขาดเลยตอนนี้เร่งเร่งเร่งเฉพาะตัวเราให้มันพ้นทุกไปนะเพราะว่านี้บุญสมเนี่ยจะโดดเด่นมากเลยเออเพราะว่าโดดเด่นมากแหละบุญสมเขาขยันไปเดินทํำกองเพียนเดินจงกรมที่ริมกําแพงอ่ะก็จะไม่ค่อยยุ่งตรงสิงวุ่นวายกับใคร จะทำความเปลี่ยนให้ต่อเนื่องดีนะบุญสมกับบุญเหลือก็บุญเหลืออย่างนี้บุญเหลือก็ยังเดินอยู่ใช่นไหมเออเอาดีดีดีต้องเดนจงกรมมากๆดีเดินจงกรมมากๆดีสำหรับกนนึง